คราวที่แล้วเราก็ฟังกันมาถึงตอนที่พระเรวตะได้ออกตามหาพ่อที่จากกันไปแล้วก็มาเจอพ่อโดยบังเอิญ น, นะคะเมื่อลูกกับพ่อได้เจอกันตังก็ดีออกดีใจเป็นที่สุดในชีวิตพระเรวตะได้แสดงธรรมโปรดโยมพ่อจนโยมพ่อเกิดดวงตาเห็นธรรมจากนั้นก็ได้เดินทางมาพร้อมกับพระเรวตะเพื่อจะมาบวชแสวงหาโมกธรรม ขณะเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีขณะนั้นเผอิญพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีสองพ่อลูกก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะมีเพื่อนสหพรหมจันท ร, ร์ได้เจอพระเรวัตะก็ได้สนทนาธรรมกันแล้วก็ขอให้พระเรวัตเล่าชีวประวัติของท่านให้ฟังด้วยเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามฟังกันต่อไปนะคะดูก่อนท่านผู้มีอายุหลังจากรอนแรมมาเป็นเวลาเดือนเศษข้าพเจ้ากับบีดาก็บรรลุถึงกรุงสาวัตถีและได้เข้าพักอาศัยอยู่ในพระเจตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบิดาของข้าพเจ้าได้บวชเป็นภิกษุในเวลาการต่อมาท่านเป็นพระแก่ผู้ขยันทำความเพียรเพื่อพ้นทุกข์จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในเชตวนารามเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจไม่มีความเป็นห่วงกังวลเหมือนแต่ก่อนเพราะมารดาของข้าพเจ้าก็ได้สิน้นชีพไปแล้ว บิดาของข้าพเจ้าก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วไม่มีใครที่จะต้องกังวลอีกข้าพเจ้าตั้งหน้าศึกษาพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาจนจำได้ขึ้นใจแล้วก็เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดปราลบความเพียรอย่างเร่งรีบเช่นเดียวกับภิกษุผู้เป็นบิดาของข้าพเจ้าเหมือนกันขณะที่จิตใจของข้าพเจ้ากาลังแน่วแน่ ต่อข้อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็อุบัติขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตของข้าพเจ้านั่นเองข้าพเจ้าอยากจะเรียกมันว่าเหตุการณ์ร้ายมากกว่าเหตุการณ์ดีเพราะมันได้เข้ามาทําลายสมาธิของข้าพเจ้าทําให้ความเพี่ยนของข้าพเจ้าที่กําลังก้าวหน้าต้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้าจะเล่าถวายต่อไปขอนิมนท่านผู้มีอายุเตรียมฟังเถิดเย็นวันนั้นขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในธรรมศาลาท้ำกลางบริษัททั้งสี่ ข้าพเจ้าได้นั่งอยู่สุดท้ายแถวของภิกษุบริษัททางด้านขวาของพระบรมครูที่ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่นั่งของอุบาสกอุบาสิกาพอดีเพียงแต่ทอดสายตาไปข้างหน้าเท่านั้นก็อาจจะมองเห็นทุกคนได้ถนัดเพราะที่นั่งของภิกษุสงฆ์สูงกว่าพวกของอุบาสกอุบาสิกาแต่ตามปกติภิกษุทั้งหลายจะทอดสายตาลงต่ำ ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาไม่มีรูปใดบังอาจมองไปทางอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าเองก็ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมนั้นมาอย่างเคร่งครัดแต่ในเย็นวันนั้นรู้สึกว่ามีอํานาจอะไรบางอย่างทําให้ข้าพเจ้าอยากจะมองไปทางคารวะบ้างจึงค่อยๆทอดสายตาไปยังกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาท่านใดนั้นเองสายตาของข้าพเจ้า ก็ได้ประสานกับสายตาของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังจ้องมองอยู่แล้วข้าพเจ้าตกใจถอนสายตากลับก้มหน้าลงมองต่ำตามเดิมแต่ภาพใบหน้าของเธอได้ติดตาฝังใจของข้าพเจ้าเสียแล้วข้าพเจ้าพยายามจะลบเลือนมันเสียด้วยการนึกถึงภาพอื่นๆแต่ก็ไม่สำเร็จฟังพระธรรมเทศนาต่อไปอีกครู่หนึ่ง ด้วยใจอันวุ่นวายแล้วจึงค่อยๆมองไปทางหญิงสาวคนนั้นอีกประหลาดแท้ๆท่านผู้มีอายุเธอกำลังมองข้าปเจ้าอยู่อย่างกลาวก่อนข้าปเจ้ามองดูเธออีกหลายครั้งจนพระบรมศาสดาแสดงธรรมจบและทุกๆครั้งก็ได้พบเธอกำลังมองข้าปเจ้าอยู่แล้วดูท่าทางเธอช่างสนอกสนใจในตัวข้าปเจ้าเสียจริงๆ ดูก่อนท่านผู้มีอายุจากการสังเกตช่วยระยะเวลาอันสัน้นข้าพเจ้าเห็นว่าเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากคนหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาความงามของเธอทําให้จิตใจของข้าพเจ้าวันไหวไปบ้างเหมือนกันข้าพเจ้าได้พยายามที่จะเพ่งให้รูปนั้นเป็นอสุภะซากศพเป็นภาชนะดินที่เต็มไปด้วยของเน่าเหม็น ตามที่อาจารย์เคยสั่งสอนแต่จิตใจไม่ค่อยจะเห็นตามมันยังเห็นเป็นของสวยงามอยู่ร่ำไปคืนวันนั้นจิตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านตลอดคืน ขึ้ขาพเจ้าไปเที่ยวบินธบาตในกรุงสาวัตถีตามปกติแต่ออกจะเป็นวันที่เคราะห์ล้ายอยู่บ้างเพราะไม่ค่อยจะมีคนใส่บาตรเลยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเดินไกลออกไปกว่าที่เคยข้าพเจ้าเดินออกไปอย่างช้าๆด้วยอาการอันสมรวมทอดสายตาไปข้างหน้าชั่วระยะสี่ศอกตามแบบอย่างของอริยวงท่านใดนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงอุบาสิกาคนหนึ่งร้องนิมนต์ว่าขอนิมนพระกุณเจ้าแวะมาโปรดทางนี้ก่อนข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมองทางเสียงนั้นทันทีก็พบหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างๆประตูปราสาทหลังใหญ่ในมือของเธอมีภาชนะใส่อาหารสำหรับใส่บาตรข้าพเจ้ารู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อจำได้ว่า หญิงสาวคนนั้นเป็นคนเดียวกับหญิงสาวที่ข้าพเจ้าพบในศาลาเมื่อเย็ยนวันวานแต่ความตกใจของข้าพเจ้านี้ได้เพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นทวีคูณเมื่อจำได้ว่าปราสาทหลังนั้นเป็นของท่านสุมังคละคลรือหบดีที่ข้าพเจ้าอาศัยเมื่ อ, อยังเป็นเด็กเหตุการณ์ในอดีตทุกอย่างได้กลับมาปรากฏแก่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเลยเมื่อทราบว่าตนกลับมาอยู่ใกล้ๆกับนางเครือหาปัตนีและกัณิกาแต่ก็รู้สึกดีใจอยู่บ้างที่ได้กลับมาอยู่ใกล้ๆกับลีลาวดีอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ารับบิณฑบาตจากหญิงสาวคนนั้นด้วยมือที่ค่อนข้างสัน่นรับแล้วก็ออกเดินต่อไปแต่ไม่ได้ไกลนักข้าพเจ้าเลยตัดสินใจกลับ เพราะเป็นเวลาสายมากแล้วพอหันหลังกลับข้าพเจ้าได้พบกับหญิงสาวคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมและจ้องมองดูข้าพเจ้าตลอดเวลาข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่จะต้องเดินผ่านเธออีกครั้งหนึ่งแต่จําเป็นต้องผ่านเพราะไม่มีทางอื่นเมื่อข้าพเจ้ามาถึงข้างหน้าเธอพอดีเธอก็ได้กล่าวขึ้นว่าพรุ่งนี้ขอนิมนต์พระคุณเจ้า มารับบิณฑบาตที่นี่อีกนะคะข้าพเจ้ารับโดยอาการนิ่งแล้วก็ออกเดินทันใดนั้นได้มีเสียงเรียกออกมาจากภายในบ้านว่าลีลาวดีเจ้าใส่บาตรแล้วหรือใส่แล้วค่ะเสียงหญิงสาวผู้ยืนอยู่ที่ประตูตอบจากการถามตอบกันของเขานั่นเองข้าพเจ้าก็ได้ทราบชัดว่า หญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นหากได้แก่ลีลาวดีลูกสาวคนเล็กของท่านเครือขบดีผู้เคยมีพระคุณแก่ข้าพเจ้านั่นเองข้าพเจ้าได้หันกลับไปมองดูเธออีกครั้งหนึ่งแต่เธอได้เข้าไปในบ้านเสียแล้วชั่วระยะเวลาหลายปีที่จากกันลีลาวดีเปลี่ยนแปลงไปมากจนข้าพเจ้าจำเธอไม่ได้และเข้าใจว่าเธอก็คงจำข้าพเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกัน บัดนี้ข้าพเจ้าได้พบและรู้จักเธอแล้วแต่เธอยังไม่รู้จักข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างไรก็ตามคืนวันนั้นจิตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านยิ่งกว่าวันก่อนข้าพเจ้าพยายามระงับมันด้วยอุบายวิธีต่างๆแต่ก็ได้ผลน้อยมาก เยอายุข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพยายามปกปิดไม่ให้ดีราวดีรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครเพราะถ้าเธอรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปข้อนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของข้าพเจ้าก็ได้แต่ความตั้งใจของข้าพเจ้าไม่สำเร็จเพราะเช้าวันนั้นลีลาวดีไม่ได้ใส่บาตรที่หน้าประตูตามปกติ เธอนิมนให้ข้าพเจ้าเข้าไปฉันพระทหารภายในปราสาทข้าพเจ้าจะขัดขืนก็ไม่ได้เพราะชีวิตของสมณะอย่างเราต้องพึ่งพาอาศัยชาวบ้านจึงต้องรับนิมนต์เขาเพื่อรักษาศรัทธาของเขาไว้เมื่อนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดไว้ในห้องชั้นล่างของปราสาทแล้วลีลาวดีก็นำภาชนะบรรจุด้วยโภชนะอันมีรสเลิศมาถวาย ขณะที่ข้าพเจ้าฉันเธอก็นั่งอยู่ใกล้ๆพร้อมด้วยนางเครือหาปตานีและนางทาสีบางคนทุกคนจ้องมองดูข้าพเจ้าเป็นตาเดียวแต่ข้าพเจ้าทําเป็นไม่เอาใจใส่ก้มหน้าฉันเลื่อยไปตั้งใจว่าฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาแล้วก็จะรีบกลับทันทีเพราะรู้สึกอึดอัดใจมากบรรยากาศของปราสาทนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเป็นเด็กจันทันตลอดมาข้าพเจ้าพยายามระงับความรู้สึกและกิริยาอาการให้เป็นปกติเพื่อไม่ให้เป็นที่ระแวงสงสัยแก่เขาข้อที่ข้าพเจ้าหวั่นเกรงที่สุดก็คือท่านครหอาบดีจะมาพบเข้าแล้วเรื่องของข้าพเจ้าก็จะต้องปรากฏขึ้นเพราะท่านจะต้องจำข้าพเจ้าได้อย่างแน่นอน นางก็ลือหับปัตานีได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านบวชเป็นภิกษุได้กี่พรรษาแล้วขอได้โปรดบอกดิฉันด้วยข้าพเจ้าตอบนางว่าอัตมาบวชได้เจ็ดพรรษาขณะที่ตอบก็มิได้มองหน้าผู้ถามเลยนางก็ถามต่อว่าเมื่อก่อนอุปสมบทเป็นชาวเมืองสาวัตถีนี่เองหรือ นางเครือหปตานีถามอย่างจะไล่เดียงเอาความจริงอะไรบางอย่างอาตมาเป็นชาวเมืองสาวัตถีนี่เองข้าพเจ้าสังเกตเห็นนางเครือหปตานีหันไปมองศบตากับลีลาวดียิ้มๆแล้วก็ถามข้าพเจ้าต่อไปว่านั่นนะสิดิฉันรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาคล้ายกับว่าเคยเห็นท่านมานานแล้วณนะที่ใดแห่งหนึ่งแต่จําไม่ได้ว่าที่ไหน ขอโทษเถอะอย่าหาว่าดิฉันช่างซอกแซกถามเลยเมื่ อ, อยังเป็นเด็กเป็นคารวาสอยู่นั้นท่านอยู่ในวั น, นะอะไรและบ้านเดือนของท่านอยู่ถนนไหนข้าพเจ้าอั้อึงอยู่ครู่ใหญ่เพราะไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดีถ้าข้าพเจ้าบอกความจริงจะต้องเกิดความโกลาหลขึ้นอย่างแน่นอนแต่ครั้งจะไม่บอกก็ไม่ทราบว่าจะหาวิธีหลีกเลี่ยงได้อย่างไรในที่สุด จึงตัดสินใจตอบว่าอัตมาเป็นคนไม่มีวันณะและไม่มีบ้านเรือนนางคฤือหาปตานีมองจ้องดูข้าพเจ้าอย่างไม่เข้าใจความหมายแล้วก็หันไปดูที่ลูกสาวที่กำลังนั่งจ้องดูข้าพเจ้าอยู่เช่นเดียวกันตลอดเวลาหลายปีที่จากกันข้าพเจ้าคงจะเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งรูปร่างหน้าตากริยามารยาท และนิสัยใจคอจนสองแม่ลูกลืมเสียสมิทขณะนั้นจิตใจวุ่นวายจนไม่เป็นอันฉันอาหารเกรงว่าท่านคลืหบดีจะมาพบเข้าแล้วก็จำข้าพเจ้าได้นางคลืหบตานีเริ่มถามอีกว่าท่านผู้เจริญคำตอบของท่านทำให้ดิฉันงงมากที่ท่านตอบว่าท่านไม่มีวันณนะและไม่มีบ้านนั้น ท่านหมายความว่าไงโปรดให้ความกระจ่างแก่ดิฉันด้วยจะไป ซ, กซักไซส์ไล่เลียงท่านเลยแม่ลีลวดีพูดสอดขึ้นท่านคงจะละอายไม่กล้า บ, บอกเราบางทีวันณนะตระกูลของท่านคงจะต่ำมากกระมังถูกแล้วอัตมาเกิดในตระกูลจันทานในบู่บ้านจันทานใกล้ประตูกรุงสาวัตถีข้าพเจ้าบอกความจริงทันที ทำให้สองแม่ลูกแสดงอาการตื่นเต้นขึ้นบ้างขอโทษเถอะนะท่านมีชื่อว่าอะไรล่ะลีลาวดีถามบ้างอัตมาชื่อเรวัตตะทันทีที่ตอบทั้งสองแม่ลูกก็ร้องขึ้นมาพร้อมกันว่าโอ้นางพรามณีมีใบหน้ากลายเป็นสีแดงด้วยความรู้สึกวุ่นวายบางอย่างตรงกันข้ามกับลีลาวดี ซึ่งแสดงอาการตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้าดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านเป็นคนเดียวกับเรวตะซึ่งเคยมาอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีมาแล้วใช่ไหมเจ้าคะลีลาวดีถามอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าต้องตอบไปตามความจริงว่าใช่แล้วท่านใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดไว้ก็เกิดขึ้นนางคลือฮาปตานี สบสิษะลงแทบเท้าของข้าพเจ้าแล้วกล่าวขึ้นว่าโทเลวะตาของแม่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้พบเจ้าในลักษณะเช่นนี้แม่ดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าอีกจงอภัยให้แก่แม่สำหรับอดีตที่ผ่านมาแม่ได้เบียดเบียนเจ้าอย่างโหดร้ายทารุณเพราะความโง่เขารู้ไม่เท่าทันความจริงบัดนี้แม่สานึกตัวในความผิดแล้ว ขอได้โปรดอภัยแก่แม่ด้วยเถิดนางพรามณีกล่าวรำพันขอโทษต่อข้าพเจ้าด้วยเสียงแหบเครือน่าสงสารนางจะได้กล่าวอะไรต่ออีกบ้างข้าพเจ้าก็จําไม่ได้เพราะจิตใจของข้าพเจ้าขณะนั้นก็ปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนกันฝ่ายลีลาวดีก็คลานมาหมอบร้องไห้อยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าแต่เธอคงจะร้องไห้ด้วยความตื่นเต้นดีใจ มากกว่าเสียใจเพราะเธอไม่มีอดีตอันน่าเศร้าเกี่ยวกับข้าพเจ้าแต่อย่างใดลุกขึ้นเถิดอุบาสิกาข้าพเจ้ากล่าวขึ้นหลังจากนั่งอั้อึ้งอยู่นานอัตมายกโทษให้แล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ขอให้เป็นอันผ่านไปอย่าไปรื้อฟื้นขึ้นมาคิดอีกทำให้ใจเศร้าหมองอัตมายินดียกโทษให้ทุกประการ ส่องแม่ลูกลุกขึ้นนั่งดังเดิมยกชายภูษาขึ้นซับน้ำตาแล้วก็เพ่งพินิษดูข้าพเจ้าจากส่วนบนถึงส่วนล่างอย่างทีท่วนดิฉันคิดสงสัยอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ได้พบท่านที่ธรรมศาลาวันนั้นพอกลับถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่ดีใจมากอยากจะให้เป็นเรวัตะจริงๆจะได้กราบขอขมาโทษ ในความผิดที่แล้วมาทีต่อจากนั้นสองแม่ลูกก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ข้าพเจ้าฟังตั้งแต่ครั้งข้าพเจ้าจากไปจนถึงเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจมาก เมื่อได้ทราบว่าท่านเครือหาบดีเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็ล้มเจ็บหนักและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมากัณิกาพี่สาวของดีลาวดีหลังจากอวาหะมงคลแล้วก็ไปอยู่ในตระกูลของสามีที่เมืองสาเกตเป็นอันว่าภายในปราสาทใหญ่ของท่านเครือหาบดีย่อมคงมีเฉพาะดีราวดีกับแม่และทาสชายหญิงเท่านั้น นั่งพรามณีกล่าวขึ้นว่าชีวิตของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์แต่เมื่อได้พบเจ้าแล้วได้ขอขมาลาโทษเจ้าแล้วก็เท่ากับยกเอาก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งออกไปจากจิตใจต่อไปนี้แม่จะมีความสุขสบายขึ้นบ้างแม่และลีลาวดีขอนิมนต์ให้มาฉันพัตหารที่นี่เป็นประจำจงถือเอาบ้านนี้เป็นเช่นเดียวกับบ้านของลูกเอง จงถือแม่เช่นเดียวกับเป็นมารดาบังเกิดเกล้าและจงถือดีลาวดีเป็นเช่นเดียวกับน้องสาวร่วมอุทธรแม่และน้องจะเป็นอุปถายิกาปฏิบัติท่านบำลุงท่านด้วยปัจจัยสี่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพเจ้ารับฉลองศรัทธาของเขาทั้งสองด้วยอาการนิ่งแล้วก็กลับวัดพระเชตวนาราม เมื่อเวลาสายมากแล้วผู้มีอายุเย็นวันนั้นเอง หลังจากฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศ า, ศาสดาที่ธรรมศาลาแล้วเาพเจ้าก็กลับสู่กุฏิเรื่องชีวร อ, ออกภาคไว้บนลาวแล้วก็นั่งพักผ่อนปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดไปตามเรื่องของมันบางขณะจิตใจก็หวนกลับไปยังอดีตเกิดท่อมน้อยในหมู่บ้านจันทานริมประตูเมืองสาวัตถีก็ปรากฏแจ่มขึ้นมาในห้วงนึกภาพบิดากำลังตัดฟืน อยู่ในป่าภาพทุ่งนาและลาวป่าริมฝั่งแม่น้ำอศิรวดีภาพแม่โคโนมตลอดถึงภาพเพื่อนเด็กจันทานที่เคยเลี้ยงโคมาด้วยกันบางขณะจิตใจก็หวนไปสำรวจเหตุการณ์ตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กรับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของท่านสุมังคระคฤหาบดีทุกครั้งที่หวนคิดถึงฉากชีวิตตอนนี้ทาให้ข้าพเจ้า เกิดความสังเวชเศร้าใจเพราะมันเป็นตอนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานมากที่สุดแต่ตอนที่ทําให้ข้าพเจ้าสังเวชสลดใจที่สุดก็ตอนเป็นโจรข้าพเจ้าได้ปล้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนผู้ไร้ความผิดมากต่อมากข้าพเจ้าปราหลาดใจมากว่าทําไมข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นคนหยาบช้าทารุณถึงป่านนั้น เมื่อคิดถึงตอนนี้ก็ทำให้เกิดความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะบวชอุทิศชีวิตแก่พระาศาสนาเพื่อล้างบาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำเมื่อครั้งเป็นโจร ขณะที่กำลังนั่งคิดเพลินอยู่นั่นเองลีลาวดีกับนางทาสีคนหนึ่งก็ได้มาหาข้าพเจ้าที่กุติข้าพเจ้าต้อนรับเธ อ, อย่างง่ายๆตามแบบของสมณะดูก่อนพระคินีเธอมีธุระอะไรหรือจึงมาหาอาตมาถึงกุติข้าพเจ้าเริ่มการสนทนามีค่ะลีลาวดีตอบ แล้วก็น้อมขวดน้ําปานะเข้ามาถวายคุณแม่ให้นําปานะนี้มาถวายท่านข้าพเจ้ารับแล้วก็ฉันไว้หน่อยหนึ่งท่านคะลีลาวดีพูดต่อไปดิฉันขอถามอะไรท่านสักหน่อยหนึ่งนะคะความจริงก็เป็นเรื่องที่ร่วงมาแล้วแต่ดิฉันก็ใกล้จะทราบถ้าท่านให้โอกาสดิฉันก็จะขอถามเดี๋ยวนี้แหละเธอจะถามอะไรก็ถามมาเถิด อาตมาให้โอกาสแล้วท้าไมท่านจึงได้หนีพวกเราไปโดยอาการอย่างนั้นดิฉันรู้สึกเสียใจไม่หายจะหนีทั้งทีก็ไม่บอกให้ทราบล่วงหน้าเธอกล่าวด้วยอาการขุ่นใจเล็กน้อยอ๋อที่อาตมาหนีจากบ้านคราวนั้นนะ่ะหรืออาตมาได้บอกกับเธอแล้วเธอไม่ได้รับจดหมายที่อาตมาฝากไว้กับนางทาสีดอกหรือ ลีลาวดีคิดอยู่ครู่หนึ่งเป็นเชิงทบทวนความจําแล้วก็ตอบว่าอ๋อจดหมายฉบับนั้นดิฉันได้รับแต่ท่านน่าจะบอกด้วยปากนี้ไปเช่นนั้นชวนให้คิดว่าท่านรังเกียจลีลาวดีเสียละเกินเปล่าเลยอาตมาม่ได้รังเกียจเธอแม้แต่น้อยตรงกันข้ามอาตมาหนีมาคราวนั้นก็เพราะว่ารักเธอจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ละคะ ท่านยังรักดิลาวดีอยู่เหมือนเดิมเหมือนก่อนหรือเปล่าดิลาวดีจึงถามขึ้นกลางคันทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกขวยเขินอยู่ไม่น้อยความจริงข้าพเจ้าก็รู้ว่าตัวเองยังรักเธออยู่แต่ก็รู้สึกระอายที่จะบอกความจริงแก่เธอเพราะเพศพันธ์ของข้าพเจ้าไม่เหมาะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักรักคล้ายๆข้าพเจ้าจึงได้บอกกับเธอว่า ปัญหานี้อย่าให้อัตมาได้ตอบเลยข้าพเจ้ารอบสังเกตเห็นใบหน้าของลีลาวดีเศร้าสลดลงทันทีทำไมไม่ตอบล่ะคะหรือว่าท่านลังเกียจลีลาวดีเสียแล้วลืมลีลาวดีเสียแล้วอริจารลีลาวดีช่างเป็นคนอภัพวาสนาเสียจริงๆเสียลังที่อุตส่าห์เฝ้าคอยด้วยความซื่อสัตย์มาเป็นเวลาหลายปีแต่ผลที่ได้รับก็คือ การถูกลืมเธอพูดประโยคสุดท้ายด้วยเสียงสั่นเครือพลางยกชายผ้าหม่มผืนงามขึ้นเช็ดน้ำตาท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นเป็นอย่างไรรู้สึกว่ามันปั่นป่วนเช่นเดียวกับท้องทะเลเมื่อต้องพายุใหญ่ข้าพเจ้ายังจำได้ถึงคำโบราณที่ว่าหญิง มักเอาชนะชายด้วยอาวุธคือปากถ้าเอาชนะด้วยปากไม่ได้ก็เอาชนะด้วยน้ําตาเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ลิลา ว, วดีกําลังจ่าวชนะข้าพเจ้าด้วยน้ําตาและดูเหมือนว่าอาวุธของเธอจะได้ผลเสียด้วยเพราะข้าพเจ้าเกิดความสงสารเธออย่างจับใจแต่เมื่อมองเห็นสีผ้าคลุมกายของข้าพเจ้าและคลาดูที่ศรีรษะอันโลนของตน กำลังใจของข้าพเจ้าก็กลับคืนมานีลวดีอย่าเสียอกเสียใจให้มากไปนักเลยข้าพเจ้าเริ่มปลอบอัตมาไมิได้ลังเกียจเธอแม้แต่น้อยอุปการะที่เธอกระทําไว้แก่อัตมาตั้งแต่ครั้งกระโน้นยังฝังอยู่ในความทรงจำของอัตมาอยู่เสมอเวลานี้ก็จวนจะมืดแล้วคุณแม่ของเธอก็คงจะคอยอยู่อีกอย่างหนึ่ง การที่ผู้หญิงมาคุยกับพระในยามเช่นนี้ก็คงจะไม่เหมาะนักประเดี๋ยวคนเขาจะนินทาเอาฉะนั้นกลับไปที่บ้านเสียเถอะวันหลังเราคงจะมีโอกาสได้สนทนากันอีกไม่ต้องไล่ดอกถึงไม่ไล่ดิฉันก็จะไปอยู่แล้วลีลาวดีพูดสะบัดเสียงแล้วก็ลุกไปด้วยอาการผุนผันปล่อยให้ข้าเจ้านั่งงงอยู่คนเดียว Thank you. ผูมีอายุข้าพเจ้าขอบอกตามตรงว่าคืนวันนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับลีลาวดีมาทําให้จิตใจของข้าพเจ้าปั่นป่วนมากความจริงข้าพเจ้าก็ไม่น่าจะคิดมากจนนอนไม่หลับเพราะธรรมดาผู้หญิงมักจะทําอะไรตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลเมื่อเธอไม่สมปรารถนาในตัวข้าพเจ้าก็เป็นการสมควรแล้วที่เธอจะแสดงอาการเช่นนั้นแต่เนื่องจาก ข้าพเจ้ายัางอ่อนมากในเรื่องมายาของสตรีจึงคิดวุ่นวายไปจนเกินเหตุข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดที่ทำให้ลีลาวดีต้องร้องไห้แต่ก็รู้สึกตัวว่ามีส่วนในเหตุการณ์อันน่าเศร้านั้นเธอบอกว่าเธ อ, อยังรักข้าพเจ้าอยู่เช่นเดียวกับเมื่อก่อนนี้และอุตส่าห์คอยข้าพเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ตลอดมา จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากวันรุ่งขึ้นเขาพระเจ้าไปฉันที่บ้านของลีลาวดีตามคำนิมนต์แต่ไม่พบลีลาวดีคงมีแต่นางเครือหาปัตตานีผู้มารดาเท่านั้นมาถวายอาหาร เข้าใจว่าเธอคงจะโกรธแปรปีดผมเสีแล้วจึงได้หลบหน้าไม่ยอมออกมาพบข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่พยายามจะถามถึงเธอฉันไปเรื่อยๆตามหน้าที่แล้วก็กลับวัดสามวันผ่านไปโดยทำหนองนี้ไม่มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นลีลาวดีไม่ยอมมาพบกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่พยายามจะถามถึงเธอทั้งๆ ท, ที่ใจอยากจะถามเต็มที่ในวันที่สี่ ข้าพเจ้าคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงพูดกับนางเครือหาปตานีว่าอุบาสิกาวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่อาตมาจะได้มาฉันที่นี่ทำไมล่ะท่านนางเครือหาปตานีเลิกคิ้วถามด้วยความประหลาดใจอาตมาตั้งใจจะจากกรุงสาวัตถีไปเที่ยวทุดงตามถิ่นต่างๆสักเดือนหรือสองเดือนจึงจะกลับแต่ถ้าไป พบที่ใดที่หนึ่งเป็นที่สบายเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรก็จะไม่กลับจะอยู่ประจําที่นั่นต่อไปทําไมจึงด่วนจากแม่ไปเสียเล่ามาอยู่กรุงสาวถียังไม่ทันเท่าไหร่เลยจะจากไปเสียแล้วแล้วต่อไปนี้แม่กับน้องก็คงจะเหงาแย่อยู่ฉลองศรัทธาของแม่ต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนก่อนเถอะอย่าเพิ่งด่วนไปเลยนา่งคึ้หาปัตตานีอ้อนวอนต่อไปอีกนานมาก เหตุผลต่างๆได้ยกขึ้นมาพารนาเพื่อชักชวนให้ข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าก็ยืนยันที่จะไปถ่ายเดียวตลอดเวลานี้ลีลาวดียังคงไม่ปรากฏตัวในที่สุดข้าพเจ้าก็กลับสู่เชตวนารามพอถึงกุฏิไม่นานนักลีลาวดีก็ตามมานี่แหละคือจุดประสงค์แห่งอุบายของข้าพเจ้า คือข้าพเจ้าตั้งใจจะทดลองใจของนีลาวดีดูว่าเธอจะใจแข็งเท่าไรเธอจะรังเกียจข้าพเจ้าจริงไหมถ้าเธอเกลียข้าพเจ้าจริงเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้านี้เธอก็คงจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะดีใจเสียอีกแต่บัดนี้เธอรีบตามข้าพเจ้ามาแสดงว่าเธอยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่ท่านจะหนีจากกรุงสาวัตถีหรือขะ เธอถามกระหืดกระหอบอย่างตกใจในข่าวนี้ถูกแล้วข้าพเจ้าตอบด้วยกริยาอาการปกติพลางจัดแจงบริการต่างๆทํา ท, ท่าจะหนีไปจริงๆข้าพเจ้าไม่บอกท่านผู้มีอายุก็คงจะเดาออกได้กริยาอาการของลีลาวดีในขณะนั้นเป็นอย่างไรเธอนั่งนิ่งอยู่ประดุดรูปปั้นในตาแดงๆคล้ายกับจะร้องไห้ ข้าพเจ้าสนทนากับลีลาวดีถึงความหลังเก่าๆลีลาวดียอมรับกับข้าพเจ้าว่าอย่างรักและบูชาข้าพเจ้าเหมือนเดิมเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงและปัจจุบันนี้ก็ยังรักอยู่และคอยข้าพเจ้าอยู่ทุกคืนวันข้าพเจ้าเองขณะนี้อยู่ในเพศของสมณะจึงไม่สามารถที่จะพูดเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจกับลีลาวดีได้ ทำให้ดีลวดีไม่พอใจแต่ก็ขอร้องให้ข้าพเจ้าอยู่สาวัถีต่อไปและนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านตามเดิมถ้าจะปฏิเสธก็ดูเหมือนจะทารุณจิตใจของเธอเกินไปข้าพเจ้าจึงยอมรับคำขอร้องของเธอ ผู้มีอายุท่านทราบแล้วว่าในระหว่างที่เป็นโจรอยู่ในป่าทางตอนเหนือของโกศนรัฐนั้นข้าพเจ้าได้ทำกรรมอันหยาบช้าทารุลไว้อย่างมหันทุกครั้งที่จิตหวนระลึกถึงชีวิตตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในที่สงัดนั่งสมาธิสำรวมจิตให้มั่นอยู่ในอารมณ์เดียวภาพอันโหดร้ายทารุลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ประกอบไว จะปรากฏชัดขึ้นมาในจิตใจทันทีข้าพเจ้าต้องรีบออกจากสมาธินั้นเสียเพื่อนหอนีให้พ้นจากยมิทธอันโหดร้ายนั้นพระบรมาศา ส, สดาตรัส ว, ว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดไว้จะต้องได้รับผลเช่นนั้นทําให้สังหรใจว่าสักวันหนึ่งกรรมที่ข้าพเจ้าได้หว่านพืชไว้ คงจะผลิตผลให้เห็นเป็นแน่และก็เป็นความจริงเพราะต่อมาไม่นานเหตุร้ายก็ได้เกิดขึ้นในวงจรแห่งชีวิตของข้าพเจ้าอีกขอท่านผู้มีอายุโปรดคอยฟังข้าพเจ้าจะกล่าวถวายต่อไป พระเจ้ายัางจำได้ว่าตอนนั้นเป็นต้นเดือนพักกุมภาพและเป็นคิมหันตรือดูอากาศในตอนกลางวันร้อนจัดแต่ก็เย็นสบายในยามราตรีทั่วท้องนาภาอากาศเหนือกรุงสาวัตถีไม่มีเมฆแม้แต่กลุ่มเดียวเมื่อมองไปยังขอบฟ้ารอบด้านจะพบแต่หมอกควันอันเกิดจากไฟป่าและฝุ่นละอองจากปัตภีดลปกคลุมอยู่ทั่วไปคราวนี้ พระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังเมืองสาเกตตามคำนิมนต์ของเศรษฐีคนหนึ่งพระภิกษุสง์สเป็นจํานวนมากได้ตามเสด็จพระองค์ไปพระเชตวันวิหารซึ่งเงียบอยู่แล้วก็ได้เงียบลงไปอีกเท่าตัวแต่ก็เป็นที่สบายแก่ข้าพเจ้ามากเพราะข้าพเจ้าชอบความเงียบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ววันที่จะเกิดเรื่องใหญ่นั้นเป็นวันที่อากาศร้อนผิดปกติ คล้ายกับว่าจะเป็นลางบอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าเรื่องร้อนกําลังจะเกิดแก่ตัว ข, ข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงจากกุฏินั่งเล่นอยู่บนแท่นหินใต้ร่มสายย้อยข้างๆกุฏิเพื่อบรรเทาความร้อนลงบ้างทันใดนั่นเองข้าพเจ้าสังเกตเห็นฝูงคนประมาณยีสิบคนมีอาวุธครบมือเดินทางเข้ามาในอารามเขาคงเลือกไม่เห็นข้าพเจ้าซึ่งกําลังนั่งอยู่คนเดียวในที่เปิดเผย จึงได้ตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าเมื่อเข้ามาในระยะใกล้ข้าพเจ้าจึงได้ทราบจากเครื่องแต่งตัวของเขาเหล่านั้นว่าเป็นทหารของพระราชาประสเสนทิโกสนเมื่อมาถึงผู้เป็นหัวหน้าร่างกายกำยำก็ยกมือไหว้แล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวาลว่าพระคุณเจ้าผมมาที่นี่ด้วยกิจราชการของพระราชาท่านรู้จักพระภิกษุ ชื่อเรวัตะหรือไม่อาตมาเองคือเรวัตตะภิกษุเข้าพระเจ้าตอบอ๋อดีทีเดียวหัวหน้าบุรุษกล่าวขึ้นผมนึกว่าจะไม่พบท่านเสียแล้วเราตามหาท่านมาตลอดทั้งแคว้นโกสลเพิ่งจะพบวันนี้เองเขาหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแสดงอาการรังเลใจเข้าพระเจ้าเองก็จ้องตาจับดูเขาทุกระยะ ด้วยความตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันพระคุณเจ้าเขาเริ่มกล่าวขึ้นอย่างคึ้นขังผมจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่บางทีการปฏิบัติของผมอาจจะรุนแรงไปบ้างก็ขออภัยคือว่าอ่าอ่าผมขอร้องให้ท่านศึกจากเพศพิสุเสียเดี๋ยวนี้พอได้ยินเท่านั้นข้าพเจ้าก็ทะลึงลุกขึ้นโดยที่ไม่ได้รู้สึกตัวสัญญาตยาน จากการเป็นโจรต่อดีตบังคับให้ข้าพเจ้าทำเช่นนั้นดูก่อนอุบาสกอาตมายังไม่เข้าใจในคำพูดของท่านหัวหน้าราชบุรุษร่างใหญ่พูดทวนประโยคเดิมด้วยเสียงอันเฉียบขาดยิ่งขึ้นผมขอร้องให้ท่านสึกเดี๋ยวนี้อาตมาไม่สึกอาตมาไม่ได้มีความผิดอะไรท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรจะ บ, บังคับให้อาตมาสึกได้เสียงของข้าพเจ้า เริ่มจะแข่งกล้าวขึ้นเหมือนกันหัวหน้านายทหารหันไปให้สัญญาณแก่ลูกน้องที่ยืนเรียงรายอยู่รอบๆพวกเขากรูกันเข้ามาหาข้าพเจ้าทันทีทำให้ข้าพเจ้าเลือดขึ้นหน้าลืมสมณสัญญาหมดสิ้นข้าพเจ้าชกต่อยเตะทีป้องกันตัวเป็นพราวันแต่ในที่สุดก็สู้กำลังคนทั้งสิบไม่ได้สมบงจีวรของข้าพเจ้าถูกเรลืองออกจนหมดไปเสื้อผ้าของฆรวาส ที่เขาเตรียมมาก็ถูกสวมเข้าไปแทนแล้วข้าพเจ้าก็ถูกมัดมือไพ่หลังอย่างมั่นคงข้าพเจ้านั่งหอบอยู่บนแท่นหินด้วยใจอันร้อนรนด้วยเพลิงโทสะเมื่อเหลือบไปดูกองผ้ากาสาวพัดที่กองอยู่ข้างๆข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอย่างสุดซึง้งข้าพเจ้าพยายามสงบจิตแล้ลึกถึงองค์พระบรมศาสดาและวปฏิ ญ, ญาณต่อพวกราชบุรุษว่า ท่านได้ทำกับเราอย่างปาเทือนมากเราถูกบังคับให้ศึกโดยไม่มีความผิดเรายัางเป็นสมณะอย่างสมบูรณ์ท่านจะเป็นสมณะหรือคารว่าก็ตามเถิดวนหวนาราชบุรุษกล่าวแต่ว่าคราวหนึ่งท่านเป็นโจรรุนฆ่าพลเมืองผู้ไร้ความผิดเลี้ยงชีพท่านได้ทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไว้มากบัตรนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้กรรม นั้นบ้างแล้วล่ะคำพูดของนายทหารทําให้ใจของข้าพเจ้าอ่อนระเวยลงไปในทันใดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นโจรเป็นผู้ทําลายความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นผู้ผิดกฎหมายแผ่นดินบัดนี้บาป ก, กรรมได้มาสนองข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ใดที่จะต่อร้อนต่อเถียงกับพวกราชบุรุษซึ่งทําหน้าที่ของเขาถูกแล้วในที่สุด ก็ถูกนําตัวเข้าสู่กรุงสาวัตถีระหว่างทางพวกราชบุตรต่างเจรจากันว่าเขาได้รับพระราชา ด, ดํารัสจากพระราชาให้ปราบพวกเราให้ได้ถ้าปราบไม่ได้ทหารกองนั้นทั้งกองก็จะถูกลงโทษอย่างหนักพวกเขาจึงได้ยกพลเข้าบุกลังของพวกเราในป่าใหญ่ทางตอนเหนือของแคว้นโกศลเมื่อได้ทราบว่าพวกเราหนีไปบวชเป็นพระ ในพระพุทธศาสนาหมดแล้วเขาก็ยังอุตส่าห์ติดตามจับเพราะเก่งต่อพระอาญาของพระราชาข้าพเจ้าได้ถูกนําตัวไปที่เรือนจําและที่นั่นก็ได้พบกับเพื่อนๆนโจรด้วยกันประมาณสิบกว่าคนที่พวกราชบุตรไปตามจับมาได้ทุกคนยังมีผมอันเย็นเกลียนเพราะเพิ่งจะถูกบังคับให้สึดเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทุกคนมีหน้าตาหม่นหมองเพราะทราบดีว่า จะได้รับโทษสถานใดการประหารชีวิตแบบขุดหลุมฝังแค่คอแล้วเอาฝาังกลบแล้วจุดไฟครอะให้ตายเท่านั้นเป็นวิธีการประหารชีวิตที่เหมาะสมสำหรับโจรและปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปเมื่อตายแล้วยังจะมีพนักงานนำโคเทียมไถมาไถศีรษะให้ขาดอีกด้วย นั้นเราทั้งหมดก็ถูกนําขึ้นสู่หลังลาพาเข้าขบวนแห่ประจานไปตามถนนสายต่างๆในพระนครสาวัตถีมีพนักงานตีกรองประกาศความชั่วช้าทารุณของเราไปข้างหน้าประชาชนชาวเมืองต่างออกมามุงดูเราตามข้างๆถนนเต็มไปหมดข้าพเจ้าและเพื่อนโจรทุกๆคนต่างพาคันค้มหน้านั่งไปด้วยความระอา哀ข้าพเจ้าเอง รู้สึกคล้ายกับว่าตายไปแล้วครึ่งหนึ่งเสียงประชาชนข้างถนนร้องด่าแช่งชักหักกระดูกเราจนไม่มีชิ้นดีในขณะที่กำลังอยู่ในห่วงมหาทุกข์นี้เองข้าพเจ้าก็าหวนระลึกถึงลีลาวดีลาก่อนลีลาวดีเอ๋ยอาตมาไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าเธอและสนองความปรารถนาดีของเธออีกแล้ว ข้าพเจ้าบน่นพึมพำกับตัวเองในที่สุดขบวนแห่ของเราก็ผ่านครื่นหาดของท่านสุมังคระครื่หาบดีฝูงชนทุกเพศทุกวัยยืนแออัดดูอยู่ตามข้างถนนเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นดูฝูงชนจุดประสงค์ก็เพื่อค้นหาลีลาวดีเพื่อมองเธอเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของลีลาวดีเลย ใจของข้าพเจ้าเศร้าลงไปอีกเท่าตัวข้าพเจ้าเะเงื้อคอขึ้นมองไปที่ปราสาทชั้นบนด้วยความหวังว่าบางทีอาจจะเห็นลีลาวดีบ้างแต่โชคเป็นของข้าพเจ้าเพราะลีลาวดีกำลังยืนมองดูขบวนแห่อยู่ที่ช่องหน้าต่างเคียงข้างมารดาของเธอข้าพเจ้ารีบก้มหน้าลงเพราะกลัวเธอจะจาได้แต่เธอคงจะจาไม่ได้เพราะเครื่องแต่งกาย และพันธนาการที่อยู่รอบตัวของข้าพเจ้าคงทำให้ข้าพเจ้าดูแปลกไปมากรั้นแล้วขบวนแห่ก็ผ่านไปข้าพเจ้าพอใจแล้วทีไ่ได้เห็นหน้าของลีลาวดีเป็นครั้งสุดท้ายแม้จะช่วระยะเวลาอันสั้นก็ตาม ดูก่อนทั้งผู้มีอายุเมื่อกระบวนของเราจวนจะถึงพระรานหลวงซึ่งเป็นที่ประหารชีวิตของพวกเรานนัเองหูของข้าพเจ้าก็แว่วได้ยินเสียงร้องว่าเรวตตะเรวัตะดังกล้องมาข้างหลังข้าพเจ้าจึงหันกลับไปดูและได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้พบข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อกับตาตนเองทีเดียว ลีลาวดีกำลังวิ่งฝ่าฝูงชนตามมาข้างหลังพลังร้องเรียกว่าเรวตะเรวตะดังไม่ขาดปากเธอวิ่งร้องไห้มาเกาะขาของข้าพเจ้าไว้ท่ามกลางความตกตรลึงพลึงเพลิดของฝูงชนและเจ้าหน้าที่พวกควบคุมเรวตะโทษเรวตะเธอเรียกชื่อของข้าพเจ้าเธอกล่าวเป็นคําสุดท้ายแล้วก็ฟุบลง แม่นิ่งอยู่กับพื้นถนนหัวใจของข้าพเจ้าแทบจะแตกสลายด้วยความสงสารลีเรวดีและตัวเองมีคนหามร่างของเธอกลับไปแล้วขบวนของเราก็เข้าสู่พระลานหลวงเราลงจากหลังลาเพื่อบริโภคอาหารอันปราณีตที่เขาเตรียมไว้เป็นอาหารครั้งสุดท้ายที่เราจะบริโภคในโลกนี้ข้าพเจ้าเองและเพื่อนร่วมชะตากรรมทุกคน ไม่มีใครแต่ต้องอาหารเพราะจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราจะตายอยู่แล้วในอีกไม่ช้านี้อีกประการหนึ่งข้าพเจ้ายังถือตนว่าเป็นภิกษุจะไม่ยอมละเมิดพระวินัยฉันอาหารในเวลาวิการแม้ตัวจะตายอยู่แล้วก็ตาม เมื่อพิธีกรรมบางอย่างเสร็จสิ้นไปแล้วเราก็ถูกคุมตัวไปลงหลุมที่เตรียมไว้เจ้าหน้าที่ได้เกลี่ยมูลดินลงถมสูงขึ้นมาแค่นาพีแล้วก็ใช้ไม้ตำดินให้แน่นจนกระดุกกระดิกไม่ได้เสร็จแล้วก็มีคนนำฟางมาเกลี่ยกรบเราจนท่วมมิดอีกไม่กี่อึดใจพระเพลิงผู้ไม่ชควยปลาณีใครก็จะลุกลามมาไหม้ครอกเราแล้ว ข้าพเจ้ารอคอยวาระสุดท้ายด้วยจิตใจที่วุ่นวายเสียงร่ำร้องของลีลาวดียังคงดังก้องหลอกหลอนอยู่ในโสตประสาทของข้าพเจ้าเวลาผ่านไปนานพอสมควรแต่พระเพลิงก็ยังไม่คลอกเราข้าพเจ้าภาวนาอยู่ในใจขอให้เจ้าหน้าที่จุดเพลิงเผาเร็วๆ เ, เราจะได้รีบไปเสียจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนี้ความปรารถนาของข้าพเจ้า สำเร็จแล้วล่ะสิเพราะเสียงอะไรหนักๆ ก, กำลังย่ำฟงังใกล้เข้าไปเจ้ามาทุกทีจะเป็นเสียงอะไรอีกเล่าถ้าไม่ใช่เสียงของไฟพอได้ยินเสียงเท่านั้นเองความรู้สึกของข้าพเจ้าก็เริ่มเลือนรางลงเป็นลําดับลําดับลาก่อนรีลาวดีลาก่อ น, ลลลอนโลกอันเป็นทะเลทุกภาพใบหน้าของโยมมาดาก็ปรากฏวูบขึ้นในห้วงนึก แม่จ๋าลูกกำลังจะไปอยู่ร่วมกับแม่น้า บ, บัดนี้แล้วเาพเจ้ากล่าวออกมาเป็นคำสุดท้ายในขณะที่พระเพลิงอันเกลี้วกลาดกำลังจะลุกลามใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วความรู้สึกของเาพเจ้าก็าดับสูญลงโดยฉับพลันนั่นเอง ข้าพเจ้าเองนึกว่าตัวเองได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ถูกไฟครอกที่พระลานหลวงเพราะพอได้ยินเสียงไฟไหม้ลูกหลามใกล้เข้ามาเท่านั้นข้าพเจ้าก็หมดความรู้สึกคิดว่าอวสานแห่งชีวิตได้มาถึงเสียแล้วแต่ในที่สุดก็ปรากฏว่าตนเองยังไม่ตายโปรดคอยฟังว่าข้าพเจ้ารอดตายมาได้อย่างไรความรู้สึกค่อยกลับคืนสู่ข้าพเจ้าทีละน้อย คล้ายๆ ก, ยกับกำลังจะตื่นจากหลับหูเริ่มได้ยินเสียงต่า ง, างๆชัดเจนขึ้นทุกทีรู้สึกตัวว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงอันอ่อนๆนุ่มแทนที่จะยืนอยู่ที่พลานหลวงแต่ข้าพเจ้ายัางไม่กล้าลืมตาเพราะกลัวว่าจะพบกับภาพอันน่ากลัวต่างๆในเมืองผีแม้ขนาดนั้นข้าพเจ้ายัางเข้าใจว่าตัวเองได้ตายเสียแล้วที่เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาอีกคราวนี้ คงจะเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งในเมืองผีเป็นแน่เข้าไปเจ้าทดลองกระดิกปลายมือปลายเท้าดูเพื่อจะให้แน่ใจว่าตนยังมีร่างเป็นมนุษย์อยู่อย่างเดิมหรือไม่ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีมืออันอ่อนนุ่มมาลูกกลมที่หน้าผากตรงหัวใจและตามแขนทําให้เข้าไปเจ้ารู้สึกประหลาดใจและอยากจะรู้อยากจะเห็นยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจ ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นทีละน้อยจนลืมเต็มที่อย่างคนที่กำลังตื่นท่านผู้มีอายุถ้าท่านเป็นข้าพเจ้าท่านก็คงประหลาดใจแทบไม่เชื่อกับตาตนเองเพราะสภาพรอบตัวที่ข้าพเจ้าได้เห็น เมื่อลืมตาขึ้นนั้นเป็นห้องกว้างขวางสวยงามสว่างไสวด้วยแสงประทีปคมไฟจนข้าพเจ้ารู้สึกพร่าในตาข้าพเจ้ารีบยันกายลุกขึ้นนั่งมองไปรอบตัวด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุดภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่เจ้าของมืออันอ่อนนุ่มที่มาลูบคลําหน้าผากของข้าพเจ้าก็ปรากฏว่าหายไปเสียแล้ว เข้าพเจ้าก้มลงมองดูรูปร่างสังขารของตัวเองเห็นว่าทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ยิ่งเกิดความชงหนสนเท ย, ยิ่งขึ้นเราไม่ได้ตายหรอกหรือหรือว่าเราตายแล้วมาเกิดใหม่ในสวรรค์ข้าพเจ้าคิดปลารลภกับตัวเองมองออกไปทางช่องหน้าต่างก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดสายลมเย็นที่โชยเข้ามาทางหน้าต่าง ทำให้ดูรู้สึกสดชื่นขึ้นมากข้าพเจ้าพยายามจะลุกขึ้นเพื่อเดินไปดูที่หน้าต่างแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดที่ขาเป็นกำลังต้องกลับนั่งลงอีกข้าพเจ้าใช้มือทั้งสองนวดเฟ้นที่ขาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดพลางคิดทบทวนความจำในเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลังจากนวดเฟ้นอยู่เป็นเวลานานข้าพเจ้าจึงทดลองลุกขึ้นอีกทีหนึ่งคราวนี้ ถึงจะยังเจ็บปวดก็อพอทนได้จึงลงจากเตียงเดินกระโปกกระเพกไปยังหน้าต่างข้างนอกข้าพเจ้าได้เห็นหลังคาบ้านเรือนมากมายสูงบ้างต่ำบ้างมีรูปร่างต่างๆกันยืนตัวสลัวอยู่ในความมืดแห่งราตรีคงไม่ใช่เวลาดึกนักเพราะยังมีแสงไฟส่องออกมาจากหน้าต่างบ้านบางหลังและได้ยินเสียงดนตรีและเสียงเพลง ขับดังแววมาจากที่บางแห่งใกล้ๆที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นั่นเองข้าพเจ้าเงี่ยโสดฟังเพลงขับด้วยความตั้งใจทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีเนื้อความว่าอย่างไรเหมือนกับเคยได้ยินได้ฟังหรือไม่เพลงขับนั้นดังแววมาอย่างชัดเจนว่า แม่เออ